ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประวัติขอาพระปานต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกบรนดาแทนพุทธบริษัทเวลานั้นกําลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไรอขอต่อข้อเติมบ้างเพื่อความเข้าใจกบันดาแทนพุทธบริษัท เป็นว่าขอย้อมต้นเรื่องสมกิดหนึ่งเรื่องหอกวันวันว่าเบิ้นพรนน า, นาเป็นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอานี้ดีกว่ามาขึ้นตอนที่ท่านยอมรับผิดว่าท่านทําผิดอะไรไว้บ้างเป็นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรก เมื่อท่าขึ้นมาจากคุมนรกท่านก็บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบทแล้วไม่สนใจในการนักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถะภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ตั้งสามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระด้วยพระทีว่าพระสงฆ์เนี่ยอาชพวส์งนย ดูว่าพระสงฆ์เป็นรันตนาที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนาได้แก่พระพุทธเจ้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์ที่นี้พระสงฆ์ก็เป็นรันตนาอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของอรนดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบรนดาท่านพุทธบริษัทก็หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าครวาญ สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสนาญาณเป็นเป็นเครื่องขัดเกลียวอารมณ์ชั่วของจิตที่ได้ยว่ากิเลสนี่ทั้งสามรายการนี้ท่านบวแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจ ท่านบอกว่าจะานในปฏิบัติรรมได้ฐานะที่เป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนาของท่านบุกพร่องเต็มตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทำตนไม่สมควรจึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลงเป็นคนหลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับไปเกณฑของที่เขาถวายเรื่องนี้บรรดาท่านพุทบริษัทจำหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มโนวิทธิกันมากเรี่ยวนี้จะเป็นความจริงและไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กำลังใจของท่านให้ทรงตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูในรกบ้างจะเป็นการสมควรเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยัน าการที่พบนี่เป็นการพบในในสมัยมาตมาเป็นเด็กได้บอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าชาลสมาบัติเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าชาลสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็กเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเร็วกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะโช ว, ว์สู่สาวท่านเยอะแยะจนท่าเอื่มไปเลย การที่จะบทมาได้นีกำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเอือมเรื่องความแมักระหว่างเพศถ้าถามว่าทาไมยังเอื่อมก็นึกเอากวนแล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่อง ที่บริการที่สองได้บอกว่าศึกษาพระบเรยติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดน่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตน น, นักเทศนักสอนนักปาติาริแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าแต่แหมงแ่หมงจบคน ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของครวาสพระท่านห้ามไม่ทาแต่ก็ฝืนทรรมนี่เป็นความผิดตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจบาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระภิกษุสมณเณรที่อยู่ในการปกครอง ทำผิดพราชจัมยัาตปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเทระสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดือดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบอ า, มารมณรกรึเปล่าก็ไม่ทราบนั้นเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้อย่าถามท่านจะลงในสองข้อนี้บางเปล่าอันนี้ก็ขอมันดาท่านอันไร ที่ส่งคุณความดีช่วยกับพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ควา ม, มเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงชานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามสือนะก็ยังกล้าคค้านเเย็ดยามเป็นการทำลายระบบประาสนาโดยตรง สี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสัะพังมันดอกเห็ดอย่างสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากมันหาหัวอตพิษและมีพิษมากด้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องตอนรับ กันอย่างเจ้ามาที่เจ้ามันมีศารนะสมัยก่อนนี้เจ้าคุณเพื่อท่านเจ้าเพื่อหา ย, อยากจริงๆจังหวัดหนึ่งจงังหวัดหนึ่งจะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งแล้วไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหนึ่งจะมีพระครูเพียงแค่สองสามคนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆเห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึ่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญมัศนาใหญ่ เวลานี้พระราชากณะราคาถูกเต็มที <c oughs> รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาเสลย์ก็มีบางท่านนี่ทรงความมีดีก็มีศักดิ์ศรีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อํานาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่เวทมาก ลูกน้อยตา้งบังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่อยู่พึงได้คือ้อต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องนิมนเทติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตาแหน่งก็ต้องพาต้อหาผ่านมาประเคีนมีแบงใบใหญ่ๆ ท่านก็เลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้เขากู้มากๆมีทองที่รับจำนำว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกตรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ตรมานใหญ่ ตวงความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตองตรรคคุ้มใหญ่สมกับว่าสนนาบรมีใหญ่เนี่วัก่อนไม่จบตรงตรงนี้จะตักไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยู่ขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่จมเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบ้าง ท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วภาในขณะนี้มีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสามสิบสองบาทเจดสิบห้าสตางค์แล้วก็ทองคำที่รับจำนำไว้สามสิบห้าบททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยจะของร้ายขายของมีค่ามีน้ำหนักห้าสิบบาทนะยงเป็นพระยังจะมีเมียนะี ของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่จะบ้านกู้ไปสี่หมื่นบาทเสรอันนี้ไม่มีหลักฐานถาม น, นี่นว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามท่านอี้ว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านก็ตอบว่าทราบ ก็ว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินนี้คนได้ใส่แผงกระดานใส่แผงกระดานประกาศไว้ดีใจที่ได้ดักฐานมายืนยังกับคุณท่านใหญ่ในสมบาติมาเนี่ยนะนี่เรื่องทรัพย์สินนี้มันได้ย่าโยงพข้าับริษัทใงหลายสมัยนี้มันก็มีก็อย่าขอพูดถึงเจ้าหนา้าอําเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่ง ในเวลาระยะกระช้ ง, งานนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนะักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าหน้าอ่เพอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่สองแสนบาทเศษแล้วก็ในจํานวนเงินสองแสนบาทเศษนี้มันเหลืออยู่จริงๆประมาณหมื่นบาทเศษ นอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไม่ว่าใครกู้ไปเท่าไรแล้วก็ท่านก็เซ็นชีอไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมนะเซ็นชี้รับรองไว้แล้วก็มีพยายนเป็นนว่าเงินสองแสนบาทเศษเนะี่ยเป็นเงินที่กู้ไปหรือเงินอยู่เมืนบาทเศษต่อมาคณะกรรมกา ร, ก ร, การตรวจพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้น มาเขาบอกว่าเงินจํานวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแสดงว่าท่านผู้บปญนเาของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชําระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านน่ะทานใช้ไม่เป็นเขาบูชเขาให้มาในการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราอย่าคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวช ถ้ามีใครก็ยังให้เราแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแลโดยอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมรับจำนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนระกเพราะเหตุนี้นะ่ะมีมากคําว่าเงินส่วนตัว นี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตหมผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะเจ็ดเอเกือบจะห้าสิบปีเวลานี้อายุเกือบจะเจ็ดสิบปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าวันไหวในบรรดาพวกอรชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นคราวาส ที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่จะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิจฉาทิฏฐิกาลังมีอำนาจแต่ว่าสัมมาทิฏฐิกริ่มังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่ากายเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระ จัดเงินจํานวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่เสื้อนาสาโททำทำทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะเขาเป็นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เขาจะไหเป็นสังฆทานไม่มีหารทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัย ก็ต้องเลี้ยงเพื่อนเลียกันคือเพื่อนพระภิกษุสษมณีนเพนื่อไปงานสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างวัดสร้างว่าให้เกิดคุณประโยชน์แก่บุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้าการเงินส่วนตัวไว้วันนี้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าประทัตตูปชีวีเปรต ฉะนั้นการที่าาบรรดาญาติโยมพุท้ทำบริษัททําบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด้วยทั <c oughs> ้งนี้พระอรหันต์ให้แก่คนที่ไม่มีคนให้แก่ขโมยเพศของพระมาอาศัยหลอกลวงชาวบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระินทร์สีบอกว่าไม่มีอนิสงส์ให้กล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนชินใดก็เป็นเหมือนคนชินนั้น อันนี้ในสมัยที่อาตา ม, มาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศประนามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายว่ามีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นอาตามายอยู่ที่วัดบานองโขงเพื่อเสนาเจ้าังหวัดพระนครเสียยุธยากําลังสร้างหอสุดมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นอาตามาก็มีหนี้แปดพันบาท แล้วบรรดาทายกที่ชอบโกงเงินสงเขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการยังเงินไปให้กู้บางหลายบังแลายได้มีมาจะมาก็ชําระหนี้หมดการที่ต้องเป็นหนี้ก็เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นหนี้แล้วถ้าเราได้มาแล้วก็ต้องใช้หนี้แล้วทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชานะัณะ และก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เลวเหมือนกับเขาเขาอ็หันมาถามว่าเป็นลานี้เป็นนี่เท่าไหร่ก็ตาวว่าเป็นนี่แปดพันบาทถ้าถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่ก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมถ้าถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงก็เป็นนักเทศไลยๆกัน ถามว่ารวยไหมเขาก็ตอบรวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไรเขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพราะนั่นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่านก็ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะนี่ระบันดาท่านพุทธบริษัทแต่เงินเนี่ยมันมีค่า มีค่าพอที่จะซื้อตําแหน่งพระราชาคณะได้บกักระมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเําแบบนี้แต่ว่าตัวรยแบบนั้นสอนให้ยาบ้ายเขาละเพื่ต่ความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภตัเองมันก็ทํานองไอเจ้าคนที่ลงนรกนะี่แหละถ้าดมาไม่ได้ยกย่องตัวแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อดีห้าที่ท่านว่าเป็น ว่าว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระหลอมก็คือบวชแต่ตัวนี่ประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวแต่ว่าลีลาของเขาญาติโยมเขาดีแต่มามากคนที่เห็นเกเขา้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็เปินเงินไปด้วยดีรวดเร็วแต่ว่าคำว่าเงินส่วนตัวนี่เขาไม่ยอมมาร่วมเลย เขาจะร่วมดีเพราะเงินที่นำมาก่อสร้างแล้วปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นนั้นว่าไอ้คนโกงเลยทามีว า, าจาดีย้อนใหม่นิดในข้อห้านะที่เป็นว่าเป็นกรรมหนักก็ในฐานะที่ท่านเป็นภาพลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาบยศสเริญสุข แล้วก็แถมมัวเมาในกามาสุขด้วยวากรรมมาสุขคือความอยากได้นามิตรต่างๆกามมมาคือความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีะมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีปัญนายาณีมากเพราะว่าสมัยนั้นพระทรงชาญสมาบัติมีเยอะ ในพระดี่ทรงอิญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระอริยะเจ้ามาไม่ทันโอ้โหดี๋ยตอนนี้ย้อนนิดเดยนิยมนะเพราะท่านบอกเองก็ขอย้อนหน่อยนะาฟังว่าที่ท่านว่าเป็นคำหนักในฐานนะที่ท่านเป็นพระบลอมคือบทแต่ตัวใจไม่เป็นพระ แล้วก็มัวเมาในลาบเคยชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญนี้เขาสรรเสริญว่าแม้ท่านมีศักดิ์สีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกามสุขคือมีความไข้ในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้าง แล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจา้าแล้อ ว, ว่าดีขั้นใกล้ๆสังขารุเปขฆายานเป็นโลคิวิสัยแต่เวชาญด้วยมีวิปัสนาญาณด้วยยังไม่ถึงมระโสดาบันใกล้จะเป็นมรสดาบันก็ถือว่ามีวิปัสนาญาณดีถ้าทานว่าแปลว่ า, วาที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทําเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคน กรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงเวจีมหานรกฟังให้ดีนะโยมนะให้โยมฟังพระนะไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามมัิยาาสัยไอ้เรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเพราะพระให้พูดเห้พรฟังมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับมาเพ่าเน่าไปขายสวน กพระที่ท่านจะฟังอาตมาพูดนะ่ยท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาศัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนาไี่มีการศึกษาน้อยได้การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระกะ จ, จ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าอยามาให้ดีนะอายุถาบรรดาศักดินะ์เน่ย เต็มหน่งลงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้ไปมั่วสมกับไอการฝ่าฝืนทวิ น, นันพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทรสมาคมแล้วกดกระทรวงเลยเพราะว่าตรรมายเคยถูกปัญดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือคมเหงมาตลอดเวลา แต่ลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวในโลกคนตลอดเวลาจาทั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่ได้พยายามบอกบุญเชิญชวนบรรดาญาติโยมพูบริษัทให้สร้างขึน้น แต่ว่าท่านผู้มีอํานาจในทางพระพุทธศาสนากลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกาย เรื่องนรกในกายนี้ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นทั่วพระผู้ใหญ่ที่คนรจะกราบหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารวัดสามปิยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศวัดราจภาติการามและก็สามสมเด็จพระพุทธ า, าจารย์วัดสุทัศน์ และก็พระเดชพระคุณไม่รู้ว่าที่จะคุณอะไรเดิมชื่อเสวียวัดไกรมิตรและก็มีหลายสิบเจ้าคุณมีหลายร้อยพระ ม, าระมาหาป ร, ริญญที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูปพนนี้สุด ท่านอาตมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่8มกราคม2520งานนี้ไม่สําเร็จงานนี้หม า, หานี้กายจะไปไม่ได้จะต้องให้เป็นธรรมยุตหรือไม่งั้นจะขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนะี่ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วถือว่าท่านเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับนี่มันคนเลวจริงๆ เป็นนั้นว่าประเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ถึงเป็นพระก็มีครับวาก็มีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนะักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนละวันที่สองปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบก็เงียบแบบคลื่นใต้น้ํา ฉะนั้นยิงข อ, อยันไหมว่าถ้าพวกอรชีพวกนี้กำเริบขึ้นมามาหลาคราวนี้เราจะจัดการยังขั้นเด็ดขาดเพราะว่าในฐานะที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นรนอยๆล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจของมรณดาแต่พุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนา และก็เป็นการรวมกําลังใจเป็นศูนย์สองเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในทินทระกันดานทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จเจ้อยหัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึงสามแสนเศษแต่ว่าบรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นคุณไม่รวมตัวเข้ามาด้วยและพยายามหาทางฝ่าเผืนิบรการบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี่ ยังมีอะไรผิดกฎพระพระุทวินัยบัญญัติพระพระุทธผิดพระวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชนญัตปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเทระสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทํากันเขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ที่กล่าวมันนี้ท่านอยู่ไกลแต่คนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ได้สนใจสนแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้คุณนรกชวงนี้เละ เป็านั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าสแสดงเด็ดอย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวีนนยบัญญัติพระราชาบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทรสมาคมเข้ายันว่าดูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันมาอยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์เข้ามา ไม่ได้บูชาเปรตไม่ได้บูชาสัตว์ติเลชานเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกายแล้วพวกเราก็จะทําทยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับคณะของเราซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันวัดหนึ่งเราจะเคารพในพระวินัยบัญญัติสองเคารพในศีล ส า, สามครบรอบในสมาธิสี่ครบรอในวิปัสสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาจนทั้งทำคนนับสายคนให้ทรงอยู่ในสินห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี่ไม่ใช่คณะของคณะธรรมาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ จานั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับถือพวกอารัชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคาบของเบสุสมาเนนที่เราถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นและปัะธรรมวินัยเท่านั้น ที่เจเปเครื่องบันทบบัญชาได้ยอมรับนับถือไอตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติที่ไม่ใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซ็นหนึ่งกดไมค์อาณาเทระสมาคมหนึ่งกดกระทรวงหนึ่งแล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับท้บถือเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็ขอได้โปรดทราบว่ายาเสีกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติเข้ามาโยนเลยที่นี้ ถ้าว่าท่านทำกันเมื่อไรเมื่อ น, นั้นแหละจะพบของดีซึ่งท่านขาดไม่ถึงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนบรรดาญาโยมพูตบริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะช้ำใจเต็มที ่การช้ำใจนี้ไม่เป็นการเสียใจแระเสียดายอยู่นิดหนึน่งว่าศาสนาเขาองค์สมเด็จะจิเนศีที่ครวาทำได้ดีแต่พระไม่ค่อยจะสนใจวันนี้้าลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์นผลจงมีเดีบรรดาแต่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี